ก็เดินพ่อนได้โยมทุกทุกคนเนาะเพ่แป๊บเดียวก็เดินตัวลานะถ้าพระก็เออแปบ๊บเดียวก็ก็จะออกพรรษาแล้วเือนอยู่ในพรรษาสามเดือนเหมือนก็จำกัดสถานที่หน่อยเนาะออหรือว่าไปที่อื่นก็ ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันนะก็ต้องกลับวัดนะแต่ถ้านอกพรรษาก็จะไปนานขนาดไหนก็ได้เออแต่พระก็เจ็ดวันนะอย่างมากเจ็ดวันก็ต้องกลับกลับวัดครั้งหนึ่งนะไปต่อ บ, บีซ่าสักคืนหนึ่งก็ได้ที่วัดนะนี่ก็อีกไม่กี่วันก็ออกพรรษาเนาะแต่จริงความหมายพระพุทธเจ้าคือเ อ, อ่อ พอส่วนหนึ่งก็จะได้แบบได้อยู่กับที่ได้มีหมู่คณะในการที่จะช่วยในการแนะนำตักเตือนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะบางทีออกพรรษาบางทีช้เดี่ยวนะไปทู้ดงไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่นะแต่พออยู่กับที่หน่อยก็เหมือนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้เห็นสิ่ง ดีได้เห็นสิ่งบกพ้องได้ตักเตือนกันได้ช่วยเหลือกันได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์มากขึ้นนะั่นจะส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเพื่อการไม่เบียดเบียนชาวบ้านอาจจะด้วยสังคมสมัยเก่าเป็นสังคมเกษตรกรรมนะเพราะปลูกนะทำนา หรืออะไรต่างๆช่วงหน้าฝนนะถ้าพระเดินทางเยอะๆก็อาจจะไปเหยียบย่ำทำร้ายนะพืชผลอะไรบางอย่างแม้อาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะแต่ด้วยกิจที่ต้องไปก็อาจจะทำให้เสียหายนะบ้างอนะไรเนาะแต่สาหรับญาติโยมเองในรษาออกภรรษาก็คงไม่ไม่มีอะไรเนาะมีแค่ว่าเออ เดี๋ยวก็บุญกระถินอีกแล้วนะเหนื่อยไหมมึงเที่ยวมีแต่คนบอกบุญวัดนั้นวัดนี่นะอืที่พักสงนั่นนี่นะวีหนึ่งบางทีบางคนชอบไปสี่สัปดาห์เนาะเสาร์อาทิตย์นะเดือนหนึ่งเนี่ยสี่ห้าสัปดาห์นี่บางทีไปหลายที่เนาะบางคนไปนะทุกนะไปตะเบนทำบุญกระถิ่นเขา คอยเชื่อว่าเป็นบุญใหญ่นะไม่ตัวใหญ่อย่างไงนะอืมอืมอาจจะเป็นบุญที่ปีหนึ่งมีทำครั้งหนึ่งจริงบุญจะมากกะน้อยจะใหญ่จะเล่นมันไม่ได้เกี่ยวว่าเราทําอะไรหรอกนะมันก็เป็นเหมือนการพูดเชิญชวนเฉยๆบุญกรถินบุญใหญ่กวา่าบุญสร้างโบสถ์นะบุญใหญ่วนะกว่าอะไรเนี่ยก็ หรือแม้แต่การภาวนานะเป็นบุญมากกว่าอย่างอื่นเลยนะคือที่จริงถ้าความคิดแตาา่มันไม่ใช่ที่รูปแบบก็เราทำอะไรหรอกนะแต่มันอยู่ที่จิตใจของเราน่แหละมันทำอย่างไรนะสำคัญกว่าอย่างบุญกระถินที่อาจจะดูมีความหมายมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนอนุโมทนากับพระสงฆ์นะกับสังฆะที่อยู่ด้วยกัน ได้อย่างสามัคคีนะไม่มีปัญหาเจองทั้งรอดสามเดือนพูดง่ายๆเนาะคนเราแบบต่างพ่อต่างแม่มาอยู่รวมกันบางทีความคิดเห็นทัศนคตินี่ัยใจคอไม่เหมือนกันจะอยู่ด้วยกันแบบสามเดือนแบบไม่หนีแยกจากกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ก็ไม่ง่ายเนาะ มันสมมติจัดโยมเข้าแคมป์ด้วยกันนะสมมติเน่ยทั้งเนี้ยอยู่ด้วยกั น, นสามเดือนนะอืมแบ่งหน้าที่ทํางานกันเนี่ยบางทีก็จะรู้เลยว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเริ่มทํางานด้วยกันเริ่มนั่นนี่ละมันจะเริ่มเห็นนะว่าเออวิธีคิดอ่าวิธีอะไรต่างๆมันต่างกันซึ่งบางทีเราสามารถที่จะรับ นะหรือว่าเราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ขนาดไหนนะนั้นความหมายของกรถิ่นจริงๆคือมันมันเป็นเรื่องการส่งเสริมความสามัคคีนะในหมู่คณะโดยอาศัยพระเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยพระอยู่ด้วยกันสามเดือนท่านอยู่ด้วยกันได้นะมีความสามัคคีกันนะญาติโยมก็ก็อนุโมทนานในความสามัคคีนั้นนะนะกับหมู่สงฆนะ์อันนี้ก็เป็นเหมือน ถ้าเราเข้าใจความนึกซึ้งของของงานต่างๆนะมันก็จะเป็นบุญที่เราก็รู้สึกอิ่มเอมจิตใจมากขึ้นหรือการสร้างโบสถ์จริงๆถ้าว่าไปนะใช้ประโยชน์น้อยกว่าห้องน้ำเลยซ้ำห้องน้ำใช้ทุกวันนะแต่โบสถ์บางทีอย่างาพากก็ไปลงสิบห้าวันครั้งหนึ่งหรือก็บวชก็ ก็แล้วแต่วัดเนาะมีบวชบ้างไม่มีบวชบ้างก็แต่ก็สิ้นเงิประมาณเยอะแต่เขาอาจจะเป็นความหมายในเชิงว่าการสร้างพระสักรูปหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะการบวชนะสร้างพระรูปหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆนะที่คนคนนึงจะตั้งใจบวชเนาะสมัยก่อนอาจจะการตั้งใจบวชก็ส่วนใหญ่จะบวชยาวอานนะไเนาะแต่บ้านเราเองก็ บวชตามประเพณีบ้างบวชทดลองบ้างบวชอะไรบ้างก็ก็บางทีก็ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างนะแต่ถ้าบางที่เนี่ยคนหนึ่งที่จะบวชเนี่ยเขาก็าคิดว่าเขาจะบวชทั้งชีวิตอะไรนะนาอาจจะตั้งใจแบบนั้นนะแต่จะทําได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ความตั้งใจบางทีมันมันไม่ง่ายนะที่เสดระครนะอบครัวสดระการงานต่างๆ น, ะนั้น การที่มีโบสเพื่อให้คนได้บวชมันก็เลยดูมีความสาคัญเนาะแต่มาว่าถ้าเราตีความว่าที่จริงการที่จะเป็นพระจริงๆเนะี่ยคือเราบวชที่ใจของเราเนี่ยแหละซึ่งพอเรามองแบบนี้แล้วเราจะเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เราสามารถที่จะเป็นพระได้นะเราจะเป็นคนพิการซึ่งพระเจ้าไม่อนุญาตให้บวชนะ แต่คนพิการก็เป็นพระได้อย่างอาจารย์กำพลเหมือ น, น, นอใช่ไมคนก็กราบไหว้สนิทใจก็มีนะหรือคารวะในหลายท่านที่ก็ก็มีมีคนศรัทธามีคนเรียนรู้ธรรมะด้วยสมัยนี้ก็เยอะใช่ไห ม, มคือความเป็นพระมัน เดี๋ยวนี้ก็ดีนะมันไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มอะไรละมันอยู่ที่คนคนนั้นก็สามารถที่จะสื่ อ, อสิ่งทีเ่เป็นความจริงเนาะหรือทำให้คนได้ทุกข์น้อยลงได้จริงขนาดไหนคนก็ตามจิดนี้ใส่ไปก็หมาว่าเราเองก็มาตอนนี้ก็คือการมาสร้างความเป็นพระในใจของเราเนี่ยแหละ การภาวนาที่เขาว่ามันบุญเยอะกว่าอย่างอื่นที่จริงก็ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามานั่งสมาธิเรามาเดินจกมกรมเรามายกมือแล้วถือว่าเอวันนี้เรามาทำแล้วมันบุญเยอะนะที่จริงมันความหมายจริงคือว่าเรามาขจัดกิเลสเนาะในจิตใจนี่แหละซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำยากนะสาหรับคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยก็ มันบางทีถนอมกิเลสนะใช่ไหมถ้าหนอมกิเลสเนานะกิเลสมันเกิดขึ้นก็เหมือนเอาใจเขาอ่ะนะเออ ม, มันอยากก็อืมก็ถ้าหนอมหรือเอาใจเขาเนาะมันโกรธมันอะไรก็ได้แต่เราก็เราก็ให้ให้อาหารเขาเราก็ให้ ให้เชื้อเขาได้ดำรงอยู่นะนะการที่มาภาวนาจริงคือการมาขัดเกลอกิเลสในใจของเราเนะีนะ่ยที่เรามาฝึกให้เรารู้สึกตัวให้เรามีสติเพื่อเราจะได้เห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละนะการทำความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวหรือว่าใน รูปแบบอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเพื่อให้เรามีหลักไว้สักอย่างหนึ่งนะมีหลักให้เราอยู่กับปัจจุบันมีหลักทําให้เราได้เห็นว่าไอ้แบบเนี้ยคือสภาวะที่ที่มันเป็นปกติอยูนะ่เช่นเวลาเรารู้สึกตัวเรารู้ที่กายเรารู้ที่กรรมฐานเนะี้ยกายกับใจมันรู้อยู่ด้วยกันนะจิตมันไม่คิดไปไหน จิตมันสงบจิตมันเป็นปกติจิตมันตั้งมั่นเน่ยมันเหมือนทํรมะวาอ๋อแบบเนี้คือสภาวะที่เรียกว่าปกติแล้วมันก็อาจจะมีความคิดแวบแทรกมามีกิเลสมันเกิดขึ้นนะตามมาไปนะเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้นี่แหละมันเริ่มไม่ปกติใช่ไหมเหมือนถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเหมือนสมมติ ผนังนี้นะสมมตินะเหมือนเป็นจอจอโปรเจคเตอร์สมมถ้ามีโปรเจคเตอร์มาฉายคือเหมือนผนังเองมันก็เป็นผนังของมันอยู่แล้วนะแต่โปรเจคเตอร์มาฉายที่ผนังมันก็เป็นภาพนั่นนี่เนาะแต่ผนังกับกับภาพที่มันฉายมันมันคนอันกันนาะผนังมันก็คือผนังแต่ภาพที่มันปรากฏมันเกิดเพราะแสง สีอนะไรเนาะมันมันมันสร้างเป็นภาพเกิดขึ้นแต่แสงหรือสีไอ้ตัวนั้นที่มาผสมกันมันก็ไม่ใช่ผนังจิตก็เหมือนกันนะจิตถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นผนังที่ที่มันเป็นปกติเนาะแต่ภาพที่มันมาฉายมาแสดงมันคืออาการที่มันเกิดขึ้นที่หลัง แล้วอาการนั้นมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่จริงๆเออเราไปจับดูเนื้อผนังเราก็ไม่เห็นภาคมันมันแค่ฉาบเฉวยให้เราได้เห็นนการทำความรู้สึกตัวนะมาทำให้เราแยกตัวนี้ได้เห็นว่าอือจิตที่ปกติจริงจริงมันคือแบบนี้นะอาการที่มันเกิดขึ้นเน่ยมันมาหลอกมันมาแสดงมันมาโชว์ถ้าเราหลงไปกับมันนั่นแหละเราก็อืม กายไปเป็นสุขเป็นทุกข์นะเป็นพอใจเป็นไม่พอใจเนาะซึ่งบางทีก็ง่ายนะที่จะหลงนะใช่ไหมเพราเราอาจจะอืมีความพอใจในอันนี้นะ่ะมีความไม่พอใจในอันนี้มันมันก็ง่ายที่จะหลงไปกับเขาที่เรามาฝึกความรู้สึกตัวก็คือเนะี่ยฝึกให้เรารู้ทันความหลงเนาะฝึกให้เรารู้ทันความหลงหรือพูดง่ายก็ หลงไปก็รู้นะหรือว่ามันไม่หลงเราก็รู้ก็แค่นั้นเองนะหลงไปก็แค่รู้ที่จริงถ้ารู้แบบถ้าดีมากเลยก็คือรู้แบบไม่ต้องไปทำอะไรกับมันคือแค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปไปใส่ความตั้งใจว่ามันจะต้องหยุดหลง หรือว่าไปใส่ความอยากว่าเออมันครั้งต่อไปมันต้องไม่ลงเองนะเลยนะหรือแม้แต่บางทีคนก็อาจจะเข้าใจไม่รู้นะถ้าความเข้าใจมาบางทีคําว่ากลับมารู้สึกตัวเนี่ยบางทีก็ยังกั้มกลวมระหว่างกันที่มันกลับมาเองหรือว่า เราตั้งใจที่จะกลับมาเนี่ยต้องต้องแยกให้ได้นะบางทีก็ไม่ใช่แปลว่าผิดนะแต่เหมือนว่าบางทีมันไม่ไหวมันทารกไปดึกมันตั้งใจที่จะกลับมาก็ก็จําเป็นเนาะอืแต่บางทีสติที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยมันมันแค่รู้ตอนนั้นมันก็รู้สึกตัวและวนะแล้วพออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันดับไปมันก็มันก็เหมือนจะเรียกว่ากลับมาก็ได้หรือแต่จริงจริงมันเหมือน ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับผนังนะมันพอภาพมันหายอ่ะมันก็เป็นผนังเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเรารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวกับในปัจจุบันของเราเป็นฐานไว้อ่ะเมื่อมันมีอารมณ์แทรกเข้ามาเมื่ออารมณ์นั้นมันแทรกแล้วมันหายไปมันก็ยังคงเหลือทภาวะที่มันเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมจะเรียกว่ากลับมารู้สึกตัวก็ได้แต่มันเป็นการกลับแบบที่เราไม่ได้เจตนาที่จะ ต้องไปทำอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็แต่ถ้าบางทีมันอารมณ์มันแรงเราตั้งใจที่จะกลับมาก็ได้นะแต่ดูว่าเอออันเนี้ยคือการที่ตั้งใจที่จะกลับมาเพราะว่าโอ้ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยจะไปดา่าคนแน่นอนเลยนะอ เ, ยนะเออถ้าไม่ทำอะไรเลยเนีย่แบบไม่ไหวละนนก็ตั้งใจบ้างกลับมาหายใจเข้าออกบ้างกลับมา พลิกมืออะไรแบบนั้น mm hmm. เช่นแบบเวลาเราตื่นเต้นนะสังเกมีตไหมบางทีเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างนะเพื่อให้มันให้มันแบบอสงบขึ้หนหะน่อยเนาะอืนี่คือก็ไม่ได้แปลว่าผิดนะก็แต่มันก็อาจจะมีสองนัยยะนะที่มันแตกต่างกันซึ่งแต่แต่ดักริ้นจก็คือว่าเนี่ยเพื่อให้เราได้เกิดความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่ความลงอืม ที่หลวงพ่อเทียนก็เลยไม่ค่อยให้เราต้องไปกังวลมากหรอกที่ที่มันจะหลงนะก็ดูมันแบบไม่ต้องไปไปเอาอะไรกับมันมากแค่รู้ว่ามันแค่รู้ว่ามันหลงแค่รู้มไม่ปกติก็พอแล้วนะนไม่ต้องไปให้ค่าให้ราคาอะไรกับมันนะเหมือนที่ท่านบอกว่าให้เราขยันสร้างเลี้ยงแมวนะ ให้เราขยันสร้างสตินั่นแหละคืองานหลักของเราเนาะงานหลักของเราคือเนอี่ยขยันสร้างสติเข้าไปส่วนความหลงมันจะเกิดเพราะอะไรอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์อะไรมากอันนี้คือถ้าเราทําแบบนี้ได้มันก็จะง่ายในการปฏิบัติโดยเฉพาะการที่เราปฏิบัติในรูปแบบนะที่เราจะเห็นความหลงได้ชัดขึ้นใช่ไหมเช่นเนี่ย ดมถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบถ้าเราเออตั้งใจว่าอืมเรายังไม่คิดเรื่องงานนะเรายังไม่คิดเรื่องทางบ้านนะอะไรนะทําได้ปะตั้งใจได้นะแต่มันอาจจะทําไม่ได้่ <laughs> มันเป็นของมันเองเนาะตั้งใจว่าจะไม่คิดนะเช่นแบบมยมเคยเห็นแพนด้าสีชมพูไหม เดี๋ยวนี้เ็ามีนะเคยมีเคยเห็นไหมฟันด้าสีชมพูเห็นไหมในหัวเราอะมันจะมีจริงหรือเปล่ามันแต่พอมาพูดนะเราก็จินตนาการแล้วพันด้าสีชมพูเป็นแบบไหนวะเราไปคิดเห็นไหมในหัวนะมาปรุงได้นะ แต่ของจริงและจะไม่มีนะแต่เราก็คิดได้นะนี่คือยิ่งบอกว่าไม่ต้องคิดนะอย่าไปคิดถึงมันนะกับยิ่งคิดนะเอออืมเหมือนเรื่องไหนที่เราไม่อยากคิดยิ่งจากจะห้ามมันนะก็ยิ่งคิดใช่ไหมเรื่องไหนอยากจะลืมนะโหยิ่งจำอ่ายิ่งจำเลยเพราะว่า มันยิ่งไปทวนความมันยิ่งไปให้ค่าให้ราคามันเนาะมันเหมือนเราไปให้ค่าเหมือนไอ้เรื่องเนี้ยเราไม่อยากคิดเราไม่อยากจํำนะมันก็ยิ่งไปไปรู้สึกว่ามันสาคัญนะอันนี้คือจิตนะเวลามันเกิดภาวะปกติอะไรสักอย่างเนี่ยพอเราไปยิ่งยิ่งไปให้ค่าให้ราคามันมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งเป็นกลายเป็น มายิ่งติดนะยิ่งติดในใจคง่ายนะดังนั้นการรู้สึกตัวเหมือนนี้นมันรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปให้ค่าให้ราคามันก็จะง่ายอันนี้ก็คือหมายว่าเวลาเราฝึกในรูปแบบมันจะมันเราก็ฝึกทําแบบนี้เนาะแต่ถ้าในชีวิตประจําวันของเราบางทีมันอาจจะซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ตั้งใจคิดเรื่องงานเลยมันก็คิดไม่ออกนะใช่ไหม เ๋วเลามันเกิดปัญหาถ้าแบบอืมก็มีความรู้สึกตัวนี่นแหละนะแต่ปัญหาบางอย่างมันก็ต้องคิดเพื่อจะแก้ไขมันก็ต้องมันก็ต้องทั้งรู้สึกตัวด้วยทั้งตั้งใจที่จะคิดด้วยนะเออคิดว่าปัญหานี้มันมีสาเหตุจากอะไรต้องแก้อย่างไรต้องเกี่ยวข้องกับคนอะไรอย่างไรว่ามันก็ต้องมันก็ต้องมีความรู้สึกตัวเข้าไปใช้ในการคิดนะ หรือในการพูดหรือในการทำซึ่งมันก็อาจจะยากขึ้นเพราะว่าคราวนี้เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งเกี่ยวข้องกัอะไรต่างๆนั้นมาก็เลยมองว่าที่จริงมันก็ความรู้สึกตัวเองมันก็ต้องใช้ทั้งทั้งการที่เรามาฝึกในรูปแบบที่มันก็อาจจะเอื้อให้เราได้เห็นว่าไอ้ความที่ไม่ตั้งใจคิดเนี่ยแหละมันก็ห้ามไม่ได้นะแต่เราจะ ฝึกที่จะเออแค่ดูว่ามันคิดไม่ต้องไปสนใจมันมากได้ถ้าถ้าฝึกแบบเนี้ยได้บ่อยๆนะเวลาอารมณ์ที่มันจอนเข้ามาในชีวิตของเรามันก็เราจะเห็นง่ายแล้วก็เราก็จะวางมันได้ง่ายๆนะเราก็จะฝึกแบบนี้ไปวันทีกินข้าวอยู่ดีเน่ะมันมีเรื่องมาแวบเนาะเราก็ฝึกเนี่ยเออมันจะแวบเรื่องอะไรก็ช่งหัวมันก็กลับมากินข้าวใหม่เหมือนน่ะนะ มันเดินอยู่ดีก็แว บ, บคิดถึงคนนั้นคนนี้ละอะจะมีสาระไม่มีสาระก็ช่างของมันะเออเราตั้งใจที่จะเดินอยู่ว่าเนี่ยก็กลับมาเกับการเดินในนะ้ะแต่ถ้าเป็นงานบางทีก็เออมั น, ม, น, ม, นมันก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็ลองต้องลองฝึกว่าเออเวลามันต้องตั้งใจต้องทำมันเราก็ต้องคิดแต่ตอนไหนที่มันแว บ, บมาโอ้กำลังอยู่กับพ่อกับแม่โอ็มาคิดเรื่องงานก็ทําให้เรา ไม่มีความสุขในการอยู่กับพ่อกับแม่เลยเนาะเนะี่ยมันก็เ อ, อวางไว้ก่อนนะฮะเราเราก็ฝึกแบบนี้ไปนะอันนี้คือมาวัดสติเองมันก็ต้องเอามาใช้ทั้งทั้งที่เราปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็การใช้ชีวิตเนะี่ยประจําวันเองเราก็ต้องมีสติในการทํางานเนาะในการทํางานซึ่งตรงนะี้มันก็ บางทีมันก็บอกยากว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะแต่ก็ให้เราได้พยําเนะี่ยมีสติคอยเหมือนเป็นผู้กํากับในใจเนาะแต่กํากับในที่นี้ไม่ใช่แป ล, แปลว่าคอยห้ามคอยนั่นนี่นะแต่เหมือนเป็นเหมือนเป็นคนที่ดูแลจิตใจนะ่ะให้มันรู้ทันว่าอะไรคือคือความปรุงแต่งที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรคือสิ่งที่เรา นะทำด้วยความรู้ตัวอยู่นะว่าทำนะคือคิดก็รู้ตัวหรือว่าเอออันนะี้มันต้องตั้งใจคิดก็รู้นะแต่ที่มันไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันแวบเข้ามาเนี่ยบางทีเราจะไม่รู้ตัวเพราะเอ อ, อเพออิไปคิดตอนนี้วานเะนี่ยมันเกิดความรู้สึกตัวละเนะี่ยคือเราก็จะเห็นอาการพวกนี้ไม่ใช่แปลว่าคิดไม่ได้แต่คิดก็ให้รู้ว่าตั้งใจคิดนะนะ ไม่ใช่เรื่องจำเป็นต้องคิดก็แค่รู้ว่าเออมันดงไปแล้วนอเลยนะเนี่ยเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะแต่ก็เนี่ยแหละสําคัญคือเราต้องมีฐานนะมีหลักนะกรรมฐานนะกายเคลื่อนไหวนะใจรับรู้นะนะกายเคลื่อนใจรู้นะใจเคลื่อนนะก็มีใจดวหนึ่งที่รู้ทันเหมือนนะนี่คือกรรมฐานที่เราต้องต้องฝึกเนาะให้มัน ให้จิตมันมันจำสภาวะตรงนี้ได้นะที่เราฝึกบ่อยๆนะเพื่อให้จิตมันเกิดความความจดจำให้มันเกิดความชำนาญเหมือนนักกีฬาเขาซ้อมแบบบ่อยๆจนพอเวลาเขาไปแข่งนะมันแบบเป็นอัตโนมัติเลยสมมติท่านนักมวยนะซ้อมหลบซ้ายหลบฝอโชกอย่างนี้พอถึงเวลาเขา ผู้ชกก็าชกมามันก็ดบอัตโนมัติเพราะความเคยชินไปนะมันมันเหมือนันเหมือนซ้อมจนมันมันงงจนชินจะไปจะลุกจะรับอะไรยังไงมันก็มันก็เกิดความชํานาญอันนี้เราก็ซ้อมเหมือนจิตใจหมายว่าจิตใจของเรามันเหมือนคล้ายๆสมองเนาะแต่สมองอาจจะใช้เพื่อการคิดการวรงแต่งมันก็จะจะจําสัญญาต่างๆ ได้นักสมองมันทำหน้าที่ในการจดจำสัญญาพวกนั้นแต่จิตใจอ่ะมันคือการจดจำอาการอาการมันจะรู้ได้ด้วยอืมไอ้แบบเนี้ยคือจดจำสภาวะอาการที่กายมันเคลื่อนไหวได้จดจำสภาวะอาการที่จิตมันเคลื่อนไหวได้นะมันจะรู้ว่าอ๋อไอ้เ น, นี้ยปกติอยู่ อันนี้เดิมไม่ปกติแล้วะจิตเราจะรู้ได้รู้สึกได้ว่าจิตมันไม่ค่อยปกตินะแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดอะไรแต่แค่รู้ว่าไม่ปกติก็โอเคนะอออืมเไม่ปกติก็โอเคถ้าเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะก็ <c oughs> ดูแค่นี้ก็โอเคแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะจะต้องยุ่งมากขึ้นอนนี้เราก็อืกลับมาดูตัวเองนะเหมือนพอเรามีสติก็เหมือนจิตก็จะระลึกได้บ่อยๆนะมันเหมือน เราก็จะมีสติเป็นเพื่อนเนามีสตินะในการที่เห็นสภาวะนะทั้งปกติทั้งไม่ปกตินะเห็นเฉยๆนะเพราะว่าปกติหรือว่ารู้สึกตัวเราจะไปยึดเราจะให้มันอยู่ตลอดมันก็คือไม่ปกติแล้วนะใช่ไมมันมันดีสมมติมันปกติเราอยากจะให้มันดีตลอดเนี่ย ไอ้ความอยากของเราเนี่ยมันทําให้ส่าภาวะ น, นั้นไม่ปกติจริงๆละ่ะหรือว่าการที่มันผิดปกติขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เฉยๆเราเราไปแบบเฮ้ยยังทําไมมันถึงคิดว่าอะไรนะมันก็คือเริ่มไม่มีเราก็เกิดความไม่พอใจล่ะที่มันไปคิดตัวเนี้ยเนานะมันไม่ปกติละเ น, นี่ยตรงเนี้ยดักสําคัญในการปฏิบัตินะอันนีมาก็ก็พูดให้ฟังเนาะแล้วก็ เวลาเราฝึกปฏิบัติก็ให้เราสังเกตนะสภาวะพวกนี้นะการสังเกตอ่ะมันจะทำให้จิตใจมันจดจำได้แต่ก็ให้สังเกตแบบสบายๆอย่าไปซีเรียสมากอย่าไปแบบประเภทว่าโอ้มันจะต้องมันฆ่าสายตาไม่ได้อะไรนะคือมันจะแบบมันต้องแบบอืม perfect อะไรเนาะมันอลองไป ลงไปก็รู้ใหม่ลงไปก็รู้ใหม่ทำแบบนี้นเล่นๆเรื่อยๆนะมันก็จะทําให้เราเอ่อไม่ไม่เครียดนะไม่กังวลในการปฏิบัติเพราะบางทีบางคนยิ่งปฏิบัติทำยิ่งเครียดมันเอาจริงเอาจังฮะมันจะเอาให้มันดีเอาให้มันถูกเอาให้มันแบบไม่ผิดเลยไม่หลงเลยอ่นะมันจะมันจะเครียดเนมะ่เครียดซึ่งทําแบบ เหมือนคล้ายๆเหมือนเราสอนเด็กอะโย่จะให้ค้อเขียนกอไก่สวยแบบผู้ใหญ่มันก็ไม่สวยหรอกมันเด็กก็เพิ่งหัดนะเราเองก็เพิ่งหัดแม้บางคนอาจจะพึ่งบอกว่าหัดมาหลายปีแล้วก็มันก็เหมือนมันก็หัดไปเรื่อยหัดไปเรื่อยนะมันก็อืถูกบ้างผิดบ้างนะแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะฝึกไปเรื่อยเนี่ยเรามาว่าการวางใจนั่นแหละมันจะมันก็จะดีขึ้นเนาะ การวางใจผิดก็แค่รู้นะแต่ก่อนอาจจะผิดแล้วแบบแย่ yeah. เสียใจโกรธตัวเองไวนะแต่ต่อไปถ้าเราวางใจถูกมากขึ้นนงผิดก็แค่ผิดก็รู้สึกตัวใหม่ก็แค่นะั้นก็จบแต่บางทีบางคนผิดแล้วแบบโทษตัวเอง่ เ, าเราไม่ดีเราไม่เก่งเราแย่ yeah. ไว้นะแต่พอถ้าผิดก็แค่รู้สึกตัว หดงไปคิดแล้วอ่ะก็แค่รู้ตัวไม่ต้องไปไปอะไรกับวิาพากษ์วิจารมันมากเนี่ยมันก็จบละมันก็ง่ายเนี่นะเนี่ยคือเราก็ฝึกแบบนี้เนาะคนที่ปฏิบัติได้ชนานาญมากขึ้นมาว่าคือการการวางอารมณ์ได้เร็วขึ้นให้เราก็สังเกตตัวนี้ก็ได้นะเราวางอารมณ์ได้เร็วขึ้นหรือเปล่าในแต่ละวันเรื่องที่เคยติดใจเรื่องที่เคยหนักใจ บางทีเรื่องบางอย่างถ้ามันแบบเกิดแบบนี้โอ้มันมันหนักหรือมันไม่ไหวมันติดนานถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นเราสึกว่าเออมันก็มันก็น้ำหนักมันน้อยลงนะหรือวางได้เร็วขึ้นนะอะไรเนี่ยมาว่าก็เออเราก็เริ่มมาถูกทางนะมีวัฒนการแต่ธรรมะนะมันก็สอนคนไม่แน่นอนนะวันนี้ทำให้ดีวันพรุ่งนี้แบบโอ้ ไม่ไหวเลยมัก็มีนะแต่ไม่ไหวเลยแต่เราอยู่กับมันความไม่ไหวเลยได้เนี่ยว่ามันดีนะมันคือไม่ใช่แปลว่ามันไม่ไหวคือวันนี้มันโอ้ฟุ้งเยอะเหลือเกินหาความสงบไม่ได้เลยบางทีก็เบื่อแต่เราสามารถอยู่กับมันได้อะมาถึงว่าอยู่แม้มันจะไม่ดีนะแต่ก็มีสติอยู่กับมันนะดำรงอยู่กับมันได้ มาว่าไ้นะดีดีคือไงเราสามารถที่จะยอมรับอ า, อาการที่มันเป็นจริงได้นะอนนั่นดีครูบาอาจารย์หลายรูปกก็ด้พูดพูดเหมือนพูดง่ายนะแต่ทำอะเราจะทำได้ขนาดไหนเราต้องดูนะถ้าบอกให้ขี้เกียจก็ให้ปฏิบัติขยันก็ให้ปฏิบัติเนยนะอ มันง่ายนะเวลาขยันแล้วก็ให้ปฏิบัติมันง่ายเนาะเมื่อเราชอบอะไรเราก็ทําด้วยความชอบเนี่ยมันทําได้ง่ายตอนขยันก็ทำเลยนะแต่ตอนที่ขี้เกียจแล้วจะให้เราทําเนี่ยมันยากไอ้ที่ไม่มีชอบแล้วจะให้ทําไอ้ที่เบื่อแล้วจะให้ทําเนี่ยมันยากแต่ถ้าเราสามารถทําในที่นี้คือทําใจในการในการยอมรับมันเนาะจะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อมีสติรู้ทันสภาวะก่อน เออรู้ว่ามันขี้เกียจ ร, รู้ว่ามันเบื่อรู้ว่ามันฟุ้งซ่านดูแล้วนะ่ะออืมะยอมรับมันมาถึงยอมรับ ก, ก็ไม่ใช่การคิดนะแต่มันรู้เฉยๆแล้วมันก็เกิดอืขี้เกียจก็ตัวอัหนึง่งรู้สึกตัวก็อั น, นึงอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละฮอันนี้ฟุ้งก็อันหนึง่งก็รู้อยู่แบบนี้แหละมันจะเลือกฟุ้งหรือเปล่าเรื่องของมึงอะไรไหมก็ไม่เหตแบบดังเกียจเขานะเขาจะอยู่ก็อยู่เขาไม่อยู่ก็ ไม่อยู่ก็เรื่องของเขาแล้วก็จะมีสติอยู่ตรงนี้อันเนี้ยมาว่าอันนี้คืออันนี้ก็คือธรรมะเขาก็สอนความไม่ไม่แน่นอนให้เราเห็นนะเพราะการปฏิบัติจริงๆก็นำพาไปให้เราเกิดความเข้าใจในไตรักใตรักนี่เป็นว่าไม่ใช่ว่ามันไม่คือเราเห็นความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความที่ หรือว่ามันบังคับไม่ได้อะไรเนะี้ยหรือความเป็นทุกข์มันมีอยู่แล้วนะแต่จิตลึกๆอ่ะเรายอมรับเราจะเรียกว่าเหมือนเชื่อนะแต่ไม่ใช่เชื่อจากการคิดนะแต่มันเหมือนว่าจิตมันเห็นจนมันยอมรับได้ว่าอันนี้แหละคือธรรมชาติของของสังขารเนาะธรรมชาติของสังขาร ของรูปของนามมันเป็นแบบเนี้เราเข้าใจว่าเนี่แหละธรรมชาติของมันคือแบบนี้แหละนี่ยแต่คือเราปฏิบัติเพื่อให้นําไปเกิดปัญญาในเบื้องต้นนะปัญญาในเบื้องต้นที่มาทำให้เราเออเป็นทุกข์เป็นทุกขออ์เรียกว่าไม่ทุกข์เพราะความไม่เที่ยงได้ความไม่เที่ยงมันมีอยู่แล้วนะเราก็ไม่สามารถที่จะไม่ทุกข์กับมันก็ได้ แต่ก่อนบางทีมันไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์ถ้ามันเที่ยงเราถึงจะไม่ทุกข์เลยไหมนะถ้ามันทุกข์เราก็ทุกข์ตามถ้ามันสุขเราก็ถึงจะไม่ทุกข์เลยไหเนะ่ะเราก็จะสุขตามเนี่ยถ้ามันบังคับได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็สบายเราก็มีความสุขเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าบังคับไม่ได้คาดการไม่ได้กําหนดไม่ได้ก็เป็นทุกข์เนี่ยก็แสงนาเราก็ยัง แปรเปลี่ยนไปกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะเหตุข้างนอกแต่ถ้าเราสามารถมีสติได้เราก็จะรู้ทันมันแล้วก็ไม่ทุกข์ก็ได้นะมันไม่เที่ยงก็เรื่องของความไม่เที่ยงนะจิตก็ยอมรับได้รู้มันนะได้ใจที่ไม่ทุกข์ก็ได้มันบังคับไม่ได้ ก, ก็ใช่แล้ว <c oughs> อือหัวใจไม่แต่สติเองยังบังคับไม่ได้เลยใ <c oughs> จมันบังคับอารมณ์ได้ยังไงมาอะไรนะ ก็เห็นอืมเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาของเปนแบบนั้นนะอืมก็พอเราสัมผัสตรงนี้ได้มันก็มันก็อยู่กับโลกที่มันเป็นจริงแบบนี้แหละคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเนาะมันเกิดปัญญาในการเข้าใจตรงนี้นะปฏิบัติก็เพื่อ น, นําไปสู่ตรงนี้นะในที่เป็นตัวปัญญาเนาะแต่ไม่ใช่ปัญญาจากการคิดเอา แต่เป็นปัญญาจากการที่เราเห็นบ่อยๆจนจิตมันยอมรับว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะเป็นแบบนี้แหละนะเนี่ยคือนี่คือเป็นตัวปัญญาแล้วก็ก็ดูไปเรื่อยอีกดูไปเรื่อยนะแม้แต่เนี่ยเราก็จะเห็นตัวสภาวะที่มันมันละเอียดมากขึ้นเนาะนะแม้แต่ตัวจิตเองนะเราอาจจะมองว่ามันเป็นเป็นปกติ แต่จริงตัวจิตเองมันก็ไม่ใช่เราเนาะมันก็จะยากที่จะเห็นมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เราอย่างไรนะในตัวจิตเนะมันก็ยังรู้สึกว่าร่างกายอาจจะยังพอเห็นนะมันไม่ใช่เราได้ง่ายกว่าแต่การที่จะเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เราเนะี่ยมันยากกว่าเนาะโดยเฉพาะแรกๆเราอาจจะพอเข้าใจว่า อาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตที่มันเป็นแว บ, บๆขึ้นมานะโลภโกรธหลงคิดอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะเห็นเออถ้าเรามีสติมากขึ้นเราก็จะดูได้เออมันก็ไม่ใช่เรานะจะแยกได้ววาอาการต่างๆมันไม่ใช่เราแต่การที่จะเห็นว่าจิตนะที่มันปกติจิตที่มันไม่ปรุงแต่งมันไม่ใช่เราเจริงๆเนี่ยมันก็จะยากขึ้น แต่มันก็จะทำให้เราถอนลากเงาของการเกิดได้นะดัะนั้นการภาวนาจริงมันมันลึกไปถึงขนาดนั้นเนาะลึกไปถึงขนาดนั้นแต่ก็อยากให้เราทำแบบอย่าไปอย่าไปคาดหวังผลมากเกินไปเนาะมัมจะบอกว่าไม่คาดหวังผลเลยก็ไม่ได้เนาะ ม, มันอาจจะไม่มีแรงจึงใจในการทำแต่แต่ตอนทำอ่ะให้ระาวางัง ความอยากจะได้เหรือการคิดนะหรือว่าการไปคํานึงถึงแต่ว่าเมื่อไหรจะได้เมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะเป็นเมื่อไหร่จะเข้าใจเมื่อไรจะวางอไนะไรเนาะเพราะยิ่งไปคิดพวกนั้นมากบางที่ยิ่งเป็นทุกข์มากนะอืมต้องทําแบบเหมือนทําแบบอืมทําแบบอยู่กับปัจจุบันนะอืม มันคิดขึ้นมารู้ทันคิดขึ้นมารู้ทันเหมือนเราเดินนะเหมือนเราเดินแล้วก็แล้วก็กําหนดอยู่กับการเดินนะเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ถึงเองแหละถ้าทิศทางมันถูกนะใช่ไหมบางทีหลงพ่อขงเขียนท่านบอกว่าการปวิบัติธรรเหมือนนั่งรถนะถ้าขึ้นถูกคันเดี๋ยวมันก็ไปถึงเองแหละไม่ต้องไปคิดมากว่ามันจะถึงหรือเปล่าเลยเนาะแต่ท่านนั่งรถถูกคันนั่นก็คือว่าเหมือนเรา มันเราอยู่ในหลักของมักมีองแปดอ่ะอหลักของสติปัฏฐานสี่เรายังปฏิบัติอยู่ในทางตัวนี้อยู่อ่ะมันก็นำไปสู่นะมักผลผนิพพานแน่นอนเนี่ยคือรคือเราขึ้นขึ้นรถคันนี้ถูกคันนะแต่ด้วยวิธีไหนก็ได้แต่นะแต่มันอยู่ในหลักตัวนี้มันก็นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะแต่ที่จริงมันก็ไม่ต้งว่า ถึงความทุกข์ตอนรถไปจอดที่เราเป็นพระอรหันตะ์ที่จริงมันเหมือนเราก็สัมผัสความไม่ทุกข์นะได้บ่อยๆเนาะจากการที่เรารู้ทันความทุกข์นั่นแหละเราก็สัมผัสความไม่ทุกข์ได้บ่อยๆจากการที่เรารู้ทันความหลงไปนั่นแหละนะหรือตอนไหนมันไม่หลงเ ร, เราก็ยังรู้สึกตัวรู้กายที่เราเคลื่อนไหวได้อยู่มันก็มีทุกข์อยูนะ่นี่คือมันสัมผัส สัมผัสที่ที่ปัจจุบันเลยเนาะอันนี้หมาว่าคนจะคิดถึงว่าธรรมะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยหรือเราจะคิดว่าเราจะปฏิบัติเพื่อเราไม่ต้องกลับมาเวียนวแต่เกิดแล้วก็ก็เด้นทางเดียวกันนี่แหละไม่ได้แบบถ้เหมือนกับรถเมล์นะคุณจะลง เออคุณจะตรงอะไรปลายหน้าก็ก็คันนี้แหละจะไปตรงปลายทางก็คันนี้แหละนะอืก็เลือกเอานะแต่มันทางที่มันนําไปสู่ความทุกข์น้อยตงของเราเนี่ยแหละนะอืมเนี่ยคื อ, ค, อคือทางที่เราต้องฝึกเอาเนอะก็อืมก็ให้เราหมั่นฝึกฝนเนาะอืห ม, มั่นฝึกฝนนะก็าฝากไว้อ่ะ ใ น, ในการฝึกเนะสิ่งสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะช่วงต้นๆเนยคือการเหมือนเหมือนหาเรียกว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่มีอย่างอื่นทับนะเหมือนพยายามขยับตัว <c oughs> ขยับตัวให้มันเกิดการเคลื่อนไหวหรือเกิดการการกระทำะทั้งภายนอกเนาะทางกายเพื่อให้จิตใจมันเกิดการได้รู้ คือขยับเพื่อให้มันรู้เกิดความรู้สึกตัวเนาะคือไม่ใช่แบบขยับแบบอืมเพียงแค่แบบทําท่าหรือทําตามสัญชาตญาณคือเราขยับเป็นการปลุกให้เกิดการมีสตินะคือทำเนะ่คือเพราะว่าพอถ้าแบบบางทีมันไม่มีอะไรทำเนาะนั่งนิ่งๆเนี่ยมันง่ายมากที่จะไหลไหลไปคิดเนาะ <c ười> คิดอะไรก็ <c ười> แล้วแต่ <c ười> แล้วแต่แฟเปรียบเหมือนกับคล้ายๆเหมือนอกระดาษทิชชู่หรือสำลีบางๆแล้วแต่ลมมันจะพาไปทางไหน <c oughs> ลมแรงก็ไปไกลลมเบาก็ไปค่อยๆใกล้ๆ <c oughs> จิตก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีเครื่องอยูอะมันมันก็จะมันก็จะไหลไปไหลไปกับสิ่งที่คิด ถ้าเยอะหรือบางทีก็ไหลไปกับสิ่งรอบตัวที่เรามองเห็นที่เราได้ยินเสี ย, อยงอะไรนะบางทีถ้าเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเนาะมันก็จะไหลออกไปอันนี้ได้ว่าสิ่งที่ไหลจิตมันไหลออกไปไหลไปตามสิ่งที่กระทบบ้างหรือไหลออกทางใจที่มันไปอยู่กับความคิดอารมณ์ต่างๆก็ <c oughs> การที่เราพยายามขยับตัวเหมือนเป็นการเรียกสติตัวเองเนาะให้มันเออ มันไหลไปก็กลับมานะมันไม่ไหลเราก็เกิดความรู้สึกตัวอยู่นะีคือเรา <c oughs> พยายามแบบนี้นะให้มันมันจะกลายเป็นความเคยชินนะอาจจะไม่ได้ขยับ14จังหวะเหมือนที่เราทําแบบนี้แล้วก็ขยับพลิกมือกำมือเครื่องนิ้วนะ่ะกระดิกขาอะไรนะหรือบางทีก็ดูลมหายใจบ้างนะ่ะสลับไปบ้างก็ได้นะ่ะ อันนี้คือเราพยายามทาแบบนี้จิตมันจะเกิดความเคยชินเนาะแต่ถ้าแบบบางทีมันทำจนชินเกินไปเนาะขยับไปก็ยังแบบยังคิดเพลินคิดยาวอยู่บางทีก็ต้องหยุดนะหยุดเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจังหวะให้มันแบบบางทีมันเหมือนอาการขยับมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกตัวละบางทีก็ต้องเปลี่ยนนะ ตีก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอะไรเพราะว่าถ้าแบบไม่ไงมันก็จะคล้ายๆเหมือนเราก็ทำในชีวิดว่าจำวันที่มันก็มีการขยับตัวหลายอย่างแต่เราก็แบบชินจนจนก็แบบคิดเพลินเป็นด้วยได้เนาะอย่างกินข้าวแปลงฟันอาบน้ำแต่งตัวหรือเดิน มันก็ยังคิดได้เพลินยาวเยอะบางทีเราก็ฝึกว่าบางทีมก็มีหยุดบ้างนะเช่นเดินทาให้มีคนมาเดินตามหลังเราบางทีก็บางทีวิธีฝึกเดินจงกลมแบบหนึง่งถ้าแบบเดิน ย, วยาวๆเดินในสวนสาธารณะนะแบบบางทีก็เดินไปสักพักถ้าแบบบางทีก็หยุดอะกลับมาอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวในการยืน น, นะ หรืออาศัยเอียบทอย่างอื่นในการทำให้เกิดความรู้สึกตัวมันก็จะช่วยให้เราแบบเกิด ค, ความเคยชินเนาะหรืออย่างสายหมู่บ้านพรมฮมรับดูสักสักิบห้านาทีหรือเปล่าเขาก็จะมีละรังแห่งสติตีครั้งหนึ่งนะคุณจะทำงานไรก็แล้วแต่นะสาคัญขนาดไหนก็แล้วแต่วางไว้ก่อนกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะก็ ก็เป็นตัวช่วยให้เราเกิดการวางได้ง่ายนะแตอเน้ น, น, นแต่นั้นเขาใช้เช่นละคังนะให้เกิดการแบบเตือนว่าให้เรากลับมาเนาะแต่ถ้าเราใช้กันเตือนตัวเองบ่อยๆไม่ได้มีอะไรเราก็กลับมาขยับหรือเวลาเราทำงานอย่างอื่นก็พยายามรู้สึกตัวไปกับงานในกิจวัตรของเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะลองดูกินข้าวก็ลอง เหมือนมันก็สังเกตตัวเองที่กำลังกินที่กำลังกลังตักกำลังเคี้ยวกำลังกืนเนี่ยนะบางคนพอฝึกสติแล้วรู้สึกว่าคือมันรู้สึกเช่นรู้สึกการกืนได้ได้ดีขึ้น น, นะคือแต่ก่อนก็แบบก็แค่เคียเค้ยวไปแล้วก็กืนตอนไหนก็ไม่สนใจละแต่พอเขาเริ่มฝึกสติเออเริ่มเห็นว่ามันกืนมันก็รู้สึกตัวได้ไ น, นะ่ ให้ดีขึ้นแต่ก็หรือบางคนก็เห็นแม้กระทั่งจิตใจของเราด้วยนะจิตใจตั้งแต่ก่อนตักอาหารเกิดความอยากอย่างไรนะกินไปแล้วเกิดความชอบไม่ชอบอย่างไรอนะไรเนาะหรือว่าฟุ้งออกไปนอกเรื่องเลยอย่างไรเนะี่ยเราก็รู้มันนี่คือเราก็พยายามฝึกนะฝึกไปเรื่อยนี่คือทั้งในรูปแบบทั้ง นอกรูปแบบนะยิ่งเราฝึกมากเท่าไรมันยิ่งเกิดความชำนาญในการรู้สึกตัวมากขนาด น, นั้นแต่ก็อีกอย่างหนึ่งต้องต้องฝึกแบบไม่เคร่งเครียดฝึกแบบฝึกแบบเล่นๆ่นสนกุกสนกนะสบายๆนะผ่อนคลายนะคือถ้าแบบถ้ามัน เครียดนะมันก็จะเก่งแบบจะตักอาหารก็ก็จะเก่งนะเหมือนบางคนพอจะเดินจงกรมอ่ะฉันจะเดินจงกรมแล้วนะเนี่ยฉันจะปฏิบัติธรรมนะมันจะแบบไม่ไม่ผ่นคายละหรือฉันจะดูลมหายใจแล้วนะแบบมันจะกลายเป็นแบบโอ้ยทำไมหายใจอึดอัดเนี่ยนะอืใช่ไหมอืมท่านทางที่ก่อนนั้นก็หายใจสบายแต่พอแบบออกจะมาปฏิบัติจะดูลมหายใจยหายใจไม่สบายละอืม เดินก็ไม่สบายละยกมือก็เหมือนกันนะบางทีก็มันก็ทาไมมือมันเก้ๆกำกัน่างเงีให้ให้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายนะเป็นธรรมชาติก็ถ้าในกิจวัตรเราไม่ต้องไปทำอะไรเหมืนถึงมาท่าทางให้มันเป็นพิเศษหรอกเพียงแค่เติมความเลือกตัวเข้าไปอยู่ด้วยในการทากิจวัตรตรงนั้นนั่นแหละไม่ใช่ว่าฉันจะต้อง ตกที่มันมีจังหวะหยุดจังหวะอะไรนะอันนั้นมันก็อาจจะมันก็เกินไปแต่อยากจะลองฝึกก็ได้นะถ้าอยู่คนเดียวเลยนะั่นก็จะลองตัวก็ได้มันเป็นแบบไหนนะอืมแต่มันไม่แต่สําคัญจริงมันไม่ใช่ท่าสําคัญมันคือใจที่ระลึกรู้เนาะแล้วความรู้สึกตัวเวลามันเคลื่อนไหวจริงอนะ่ะมันรู้ได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเลย ความรู้สึกเนี่ยเช่นตอน น, นั่งว่าเรารู้สึกถึงการนั่งเนี่ยมันไม่ต้องคิดเนาะมันเหมือนมันเหมือนอืรู้อาจจะไม่เรียกว่านั่งก็ได้นะแต่มันรู้สึกอยู่นะว่ามันร่างกายมันอยู่แบบนี้เนาะมันอยู่แบบเนี้ยไม่เรียกท่าก็ได้นี่นั่นคือการ ร, กรู้โดยที่เราไม่ต้องคิดนะหรือถ้าบางทีเรามีงานที่ มันจาเป็นต้องคิดเราก็รู้อยู่ว่าเรากำลังตั้งใจคิดก็ได้นะไม่ใช่ว่าความคิดมันผิดนะการตั้งใจคิดมันผิดนะตั้งใจคิดก็รู้ว่าตั้งใจคิด <c oughs> ใช่เนะ่ดูเข้าไปได้ไม่ใช่แปลว่าการไปคิดมันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัตนะิคิดเราก็รู้ว่าตั้งใจคิดนะมันก็ใช้ตรงนี้ได้ นะก็เอ า, เอาลองดูนะไ ม, ไม่ใช่ว่าตอนนี้เลิกปฏิบัตินะไปปฏิบัตินอกรูปแบบเนาะนอกอแบบกินข้าวนะทากิจต่างๆนะแล้วก็กลับมาปฏิบัติในรูปแบบต่อ